ความวิเศษของเราไม่อยู่หรือไม่ที่ทำให้ันเกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์แก่ตนให้เกิดประโยชน์แก่โลกให้เกิดประโยชน์ชนต่อส่วนรวมแต่ญาิแต่ทุกสัมปชิงเราก็ทำได้พร้อมอยู่แล้ววัดพัฒนาตัวเอง <c oughs> จึงจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่า เวื่เราเกิดจูต่างกันในสิ่งเวดล้อมต่างกันบางทีสิ่งเวดล้อมที่ทําให้เราประมาทอ่อนได้ก็อาจจะมีได้สิ่งเวดล้อมที่ทําให้เราเข้มแข็งก็มีได้เป็นคนยากคนจนเกิดมาอยู่กับท้องทุง่งป่าไม้อดอยากบางคนก็เกิดมาอยู่ใน สิ่งเวดล่อมที่ดีไม่ลำบาก <c oughs> <c oughs> นี่ต่างกันอาจจะได้นิสัยต่างกันไปตามสิ่งเวดล่อมได้แต่ถ้าเรามามองชีวิตจริงๆนั้นอย่าให้สิ่งเวดล่อมเหล่านั้นเป็นใหญ่เป็นโตให้เราเนี่แหละิีชีวิตของเรา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 ก็อ่อนเองปัญญาอ่อนเราเนี่ถ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ถูกต้องก็อ่อนเอทุกอย่างก็ถูกโลกครอมงำได้ไม่คุ้มค่าเราก็ต้องงอง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 เหมนเนื้อมะพร้าวพอถึงเนื้อเราก็ไปมีพอใจในงานในการของเราแล้วก็ผ่านไปสามขั้นตอนเจอเปลือกเกลาเจอเนื้อมะพร้าวปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไปมีศีลมีสมาธิมีปัญญาตอนนั้นยังไม่พอไปมีแค่ศีลสมาธิ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 อยากให้ความปิดเป็นความผิดอยากให้ความสุขเป็นความสุขมันมีอยู่มันก็เห็นแต่ันก็บอกเราไปเห็นความหลงรู้สึกตัวมันก็เห็นความหลงความหลงเป็นประโยชน์ทาให้เรามีสติรู้สึกตัวขึ้นมาได้เห็นความทุกข์รู้สึกตัวในความทุกข์ก็มีประโยชน์มันทาให้เรา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 คาเมคือหมู่บ้านเป็นที่อยู่ของหมู่บ้านกับบ้านมาเกี่ยวข้องกับที่นี้ก็เพียงถึงเที่ีนั้นอาเนยวาสีก็คือเขตป่าที่มีมาใช้ฝึกขนตนเองข้ามไปข้ามมาถ้ามันคิดแบบโลกโลก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 เราเคยทุกข์มาเปลี่ยนทุกข์เห็นทุกข์ดังพระยศะศะักดิรหลวงปทุกหนอทุกหนอเจ้า ท, ที่นี้ไม่มีทุกข์มาที่นี้ก็สอ น, <c oughs> นะสอนยศศักดิรหลุตรจนขึ้นฝังได้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 เกิดมาคุ้มค่าแล้วต้องเป็นหนึ่งในเรื่องนี้กันอันอื่นเป็นรองดังพระจิทธัตถะเกิดขึ้นมาขี้เน่าขึ้นเลยเราจะเป็นหนึ่งในโลกคือ เ, เรื่องนี้แต่เป็นชาติสุดท้ายในโลกเลยทีเดียวจะเป็นหนึ่งจักเรเล่งนี้กัน กลมหลงมาขั้งสุดท้ายเริ่มไปจากในความทุกข์เปนั้งสุดท้ายกลมโกรธเปนั้งสุดท้ายชาติพบเป็นขั้งสุดท้ายไม่มีชาติเองไม่มีพบอื่นกรมาพบปลูกพบกรรมมาสวะผวาสวะวิชขาสวะชื่นไรไม่มีปัญหาเมติชีวิตล้ล้วนอย่างแนวมันเริ่มต้นจากตรงนี้ข้าวแรกจากตรงนี้คือมีสติเห็นไปเรื่อยๆป่ป